เราว่าการมีทรัพย์กับการไม่มีทรัพย์อย่างไหนจะดีกว่ากันรวยกับความจนนี่ความรวยกับความจนนี่อย่างไหนจะดีกว่ากันถ้ามองแบบทางโลกการมีทรัพย์การมีความร่ำรวยย่อมดีกว่าการไม่มีทรัพย์ ย่อมดีว่าความยากจนเพราะมีทรัพย์ก็สามารถที่จะซื้ออะไรต่างๆได้ต้องการจะซื้ออะไรอยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากไปไหนถ้ามีทรัพย์ก็สามารถที่จะซื้อได้ทำได้แต่มีสิ่งอย่างหนึ่งที่ทรัพย์ไม่สามารถที่จะซื้อได้ สนั้นก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าคือมรรคผลนิพพานมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้ความรวยซื้อไม่ได้ทรัพย์ซื้อไม่ได้ต้องความจนถึงจะทําให้เกิดขึ้นมาได้เพราะถ้ายัางรวยอยู่ยังมีทรัพย์อยู่ก็จะไม่ยอมบุญพอะยังเสียดายทรัพย์ ยังติดอยู่กับการใช้ทรัพย์ซื้อความสุขต่างๆนั่นเองจึงทำให้การจะมาบวชนี่เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนที่มีทรัพย์มีความร่ำรวยเพราะติดอยู่กับความสุขที่ได้จากทรัพย์นั่นเองคนที่จะมาบวชได้นี่ ต้องเป็นคนจนหรือถ้ารวยก็ต้องทำตัวให้จนก็คือต้องสาระทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่นี้ไปให้หมดถึงจะสามารถบวชได้เพราะเวลาบวชนี้เขาห้ามไม่ให้เอาทรัพย์สมบัติมาด้วยเวลาบวชนี้เขาอนุญาตให้มีทรัพย์ได้แปดชิ้นเท่านั้นเองสมบัติแปดชิ้น ที่เรียกว่าอัฐบริการเป็นสมบัติที่จะมาใช้กับการดำรงชีพของพระภิกษุก็คือผ้าจีวรสามผืนเรียกว่าไตผ้าไตรมีอยู่สามผืนคือผ้านุ่งผ้าหม่มและผ้าห่มกันหนาวนี่เป็นสมบัติสามชิ้นแรก ชิ้นที่สี่ก็คือประคตเอวก็คือขําเข็มขัดไว้รัดเอวเป็นสมบัติชิ้นที่สี่สมบัติชิ้นที่ห้าก็คือบาทบาทนี้มีเอาไว้เพื่อที่จะได้หาอาหารเินทบาทมามาขบมาฉันบริการชิ้นที่หกก็คือ ม, มีดโกน มีโกรนเอาไว้สำหรับปอ ง, งผมปองเกษาสมบัติชิ้นที่เจก็คือเข็มกับได้เป็นเป็นเป็นส่วนที่เจ็ดชิ้นที่เจดไว้สำหรับปะเย็ยบจีวรเวลาขาดและสมบัติชิ้นที่8ดคือที่กรองน้ำเพราะพระในสมัยโรราณต้องไปตักน้ำในลำธาร มาดื่มมาใช้ในลำธารก็มีตัวสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นลูกน้ำต้องใช้ที่กรองน้ำตักขึ้นมาถึงจะได้ไม่ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยนี่คือสมบัติที่นักบวชอนิญาตให้นักบวชมีเอาไว้สำหรับใช้ในการ ดูแลอัตภาพร่างกายพอแล้วถ้ามีสมบัติ8ปดเชนนี้ไปไหนได้ไปทุกแห่งทุกคนได้ไม่อดตายส่วนที่อยู่อาศัยของนักบวชนั้นก็อยู่ตามมีตามเกิดส่วนใหญ่ก็อยู่ในป่าในเขาอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำ อยู่ตามเรือนร้างเพราะสถานที่เหล่านี้เหมาะกับการบรํมมาเพ็ญสมณธรรมเหมาะกับการบรําเพ็ญจิตตภาวนาส ม, มถภาวนาวิปัสสนาภาวนานั่นเองเพราะการบรําเพ็ญนี้เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดทรัพย์อันยิ่งใหญ่คือทรัพย์ภายในที่เรียกว่าอาริยทรัพย์ คือมรซีพผลซีนิพานหนึ่งนี่แหละคือทรัพย์ที่แท้จริงทรัพย์ของใจทรัพย์ภายในทรัพย์ของกายนี้เป็นทรัพย์ชั่วคราวเวลาร่างกายตายไปทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองต่างๆก็ไร้ความหมายไปเพราะใจไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ ไม่สามารถเอาทรัพสมบัติเข้าของต่างๆติดตัวไปกับใจได้เวลาที่ร่างกายตายไปแต่ทรัพย์ภายในนี้จิตใจสามารถเอาติดตัวไปได้ทรัพย์ภายในที่เดิที่สุดที่ดีที่สุดก็คือโลกุตตรธรรมที่เรียกว่ามรซีพนซีนิพานหนึ่งนี้ เรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกธรรมที่ทำให้ผู้ที่มีโลกุตตระธรรมนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในโลกของวัตะสงสารอีกต่อไปแต่นอกจากโลกุตตรธรรมที่เป็นอริยทรัพย์นี้แล้วก็ยังมีทรัพย์ภายในที่ชนิดอื่นที่จิตใจสามารถเอาติดตัวไปได้ ก็คือพรหมทรัพย์หรือเทวทสัพย์ก็คือทรัพย์อของเทวดาทัพย์ของพรหมถ้าได้บำเพ็ญได้ทำบุญให้ทานได้รักษาศีลตายไปก็จะได้ไปเกิดในเทวโลกได้เป็นเทวดาถ้าภาวนาทำใจให้สงบได้อยู่ในขั้นสมาธิ ในขั้นสมถภาวนาก็จะได้รับพรหมสมบัติคือได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมโลกแต่สวรรค์ชั้นพรหมโลกกับสวรรค์ชั้นเทวโลกนี้ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือจเจริญแล้วก็จะต้องเสื่อมไปผู้ที่ได้ไปรับผลของ พรหมโลกหรือเทวโลกหลังจากเวลาผ่านไปบุญที่ได้จากการไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทพก็จะเสื่อมไปหมดไปจากพรหมก็ต้องเลื่อนลงมาเป็นเทพ <c oughs> และจากเทพก็ต้องเลื่อนลงมาเป็นมนุษย์ตามลำดับต่อไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจะบตายต้องกลับมาบาเพ็ญใหม่มาปฏิบัติใหม่ ถึงจะกลับขึ้นไปใหม่ได้ถ้าอยากจะขึ้นไปในระดับที่ไม่ต้องกลับมาเลยหรือกลับมาเพียงไม่กี่ครั้งก็ละก็ต้องขึ้นไปสู่ระดับสูงกว่าสวรรค์ชั้นพรหมโลกที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นโล ก, กุตละธรรมนี่เองคือต้องเข้าขึ้นสู่อริยมรรคอริยผลต้องเข้าสู่ระดับของพระโสดาบันสกิดาคามี พระอนาคามีพระอรหันต์จึงจะสามารถทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าได้ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานถ้ายังได้ขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันถ้าตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีกแตไ่ไม่เกินเก็ยชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถปฏิบัติ ขึ้นไปถึงชั้นพันิพานได้ถ้าได้ขั้นที่สองขั้นของพระสกิดาคาเมก็จะกลับมาเกิดเพียงชาติเดียวแล้วก็จะสามารถปฏิบัติขึ้นไปสู่ธรรมขั้นสูงกว่าคือขั้นพระ อ, อนาคามีหรือขั้นพระ อ, อรหันต์ได้ถ้าได้ขึ้นสู่ขั้นพระ อ, อนาคามี ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแต่เป็นสวรรค์ชั้นพรหมที่ไม่เสื่อมเหมือนกับสวรรค์ชั้นพรหมที่ได้จากการบำเพ็ญสมาธิหรือสมถภาวนาต่างกันถ้าบำเพ็ญด้วยสมาธิด้วยสมถภาวนาก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมที่ยังต้องเสื่อมต้องกลับมา ลงมาเป็นเทพลงมาเป็นมนุษย์ตามลำดับแต่ถ้าได้สวรรค์ชั้นอนาคามีสวรรค์ชั้นพรหมในระดับของพระอาณาคามีนี้เป็นระดับที่ไม่ต้องไม่เสื่อมลงมามีแต่จะขึ้นไปสู่ขั้นสูงสุดต่อไปก็คือขั้นพระนิพพานนี่คือทรัพย์ภายในที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์ภายนอก และผู้ที่จะต้องการซรับภายในยนี้จำเป็นจะต้องสละซับภายนอกไปถึงจะมีเวลาได้ออกบําเพ็ญได้ปฏิบัติถ้าไม่ได้ออกบําเพ็ญไม่ไม่ได้ปฏิบัติโอกาสที่จะได้นั้นเป็นโอกาสที่ยากมากแต่ก็ไม่ไม่ปิดกัน้น ซบางคนบางกรณีนี้ก็สามารถที่จะได้มรรคผลนิพพา น, นาขณะที่เป็นพระราชาอย่างพระพุทธบิดาเจ้าชายสุดโธทนะก็ได้บรรลุพระนิพพานเจ็ดวันก่อนเสด็จสวรรคตแต่ น, นี้ต้องถือว่าเป็นกรณีพิเศษ เพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้คอยให้คำแนะนำสั่งสอนในเวลาที่จะใกล้เสด็จสวรรคตในเวลานั้นจะถือว่าเป็นคนยากจนก็ได้เพราะในเวลานั้นไม่สามารถที่จะใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆได้ก็เหมือนกับเป็นคนจนคนที่ใกล้ตายนี้ เมื่อไม่มีเงินทองไม่สามารถใช้เงินทองมาดับความทุกข์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่ใกล้จะตายได้ก็ต้องใช้ธรรมะเท่านั้นมาดับความทุกข์แล้วมีพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้จักวิธีสร้างธรรมะเพื่อที่จะมาดับความทุกข์ในเวลาที่ใกล้จะตายนี้ถ้ามีคนสอนแล้วผู้ฟังตั้งใจฟัง น้องน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้เพราะทำขั้นต่างๆนี้บรรลุหรือปฏิบัติด้วยใจเป็นหลักไม่ได้ปฏิบัติด้วยร่างกายร่างกายเป็นเพียงส่วนประกอบที่อาจจะเอามาใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เช่นถ้าร่างกายแข็งแรง ก็สามารถเอามาใช้ในการเดินจงกรมนั่งสมาธิได้เพื่อให้เกิดธรรมต่างๆเช่นให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาและให้เกิดวิมุตติการหลุดพ้นตามลำดับได้แต่ถ้าร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะเดินได้ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ยังสามารถบำเพ็ญได้ เพราะการบําเพ็ญธรรมต่างๆนั้นใจเป็นผู้บําเพ็ญไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิหรือปัญญานี้ใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาสร้างสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใจมีการบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฌานระดับต่างๆได้ เส้นรูปรูปประชานสีอารูปประชานสีแล้วเมื่อใจมีสมาธิก็จะมีกำลังที่จะออกมาพิจารณาทางปัญญาได้สามารถพิจารณาร่างกายว่าเป็นดินน้ำลมไฟพิจารณาว่าร่างกายเกิดแล้วก็จะต้องดับไปเป็นธรรมดาเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนใจเป็นเพียงผู้มาอาศัย ใช้ร่างกายนี้อยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นสักวันหนึ่งใจกับร่างกายก็ต้องแยกทางกันเหมือนกับสามีภรรยาที่สักวันก็จะต้องแยกทางกันภรรยาต้องต้องตายจากไปสามีก็ต้องตายจากไปฉันใดร่างกายก็ต้องตายต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟ ใจพิจารณาร่างกายจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาว่าความแก่นี้เป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาความตายเป็นเรื่องธรรมดาห้ามไม่ได้หนีไม่ได้ร่วงพ้นไปไม่ได้ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้ทุกใจไม่ต้องทุกข์กับร่างกายได้ ถ้าปล่อยวางร่างกายถ้ารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ใจอันนี้เป็นการเจริญปัญญาหลังจากที่ได้สมาธิแล้วถ้ายังไม่ได้สมาธินี้จะไม่มีกําลังที่จะพิจารณาธรรมเหล่านี้เพราะกิเลสนี้จะมีกําลังมากกิเลสนี้จะไม่ยอมให้คิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา กิเลจะหลอกให้คิดอยู่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเมื่อคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดตัญหาความอยากให้ร่างกายนี้อยู่กับเราไปนานๆไม่อยากให้ร่างกายนี้ตายจากเราไปพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้ามีสมาธิก็จะสามารถสอนใจให้คิดไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคิด คิดไปตามความจริงคิดไปว่านี่ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟเราขอยืมดินน้ำลมไฟมาใช้พอถึงเวลาดินน้ำลมไฟก็จะขอเอากลับคืนไปถ้าเรายอมคืนไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็แสดงว่าได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้น นี่คือการปฏิบัติที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายนอนอยู่บนเตียงแต่ใจนี้สามารถที่จะบำเพ็ญได้ถ้ารู้จักวิธีการบำเพ็ญหรือมีผู้สอนให้บำเพ็ญอย่างพระพุทธเจ้าคอยสอนเจ้าช้ยสุโทโธทนะจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้ นี่ก็คือเรื่องของการมีทรัพย์กับการไม่มีทรัพย์ว่ามีคุณประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรถ้ามีทรัพย์ก็จะได้ความสุขชั่วคราวความสุขปลอมความสุขที่คู่อยู่กับร่างกายพอร่างกายหมดสภาพเช่นไม่สามารถใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆได้ ทรัพย์สมบัติเงินทองก็หมดความหมายไปไม่สามารถซื้อความสุขได้แต่ถ้าไม่มีทรัพย์ก็จะต้องหาความสุขจากอีกทางหนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าได้บาเพ็ญได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องก็จะได้ผลของการปฏิบัติ ก็จะได้มักสีผลสีนิพพานหนึ่งขึ้นมาก็จะได้รั์ภายในได้ความสุขที่เรียกว่าเป็นความสุขที่ถาวรเป็นปรมังสุขขังเป็นบรมมะสุขเป็นความสุขที่อยู่คู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง นักปราดเนื้อคนฉจลาดจึงสละทรัพย์สมบัติกันยุติการหาความสุขผ่านการใช้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็เอาเวลามาบำเพ็ญมาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือศีลภาวนาสมถ ภ, ภาวนาก็คือสมาธิ วิปัสนาภาวนาก็คือปัญญานี่คือเรื่องของการมีทรัพย์กับการไม่มีทรัพย์ว่าอย่างไหนจะมีคุณค่ากว่ากันผู้ที่มีทรัพย์ก็มักจะไม่ได้ออกบวชกันผู้ที่ยังรักทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็จะไม่สามารถสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วออกไปบวชไปบาเพ็ญได้ สำหรับผู้ที่จะออกไปบําเพ็ญได้ไปปฏิบัติได้จําเป็นจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติมีมากน้อยก็ต้องไม่เอามาเป็นอุปสรรคขวางกั้นการปฏิบัติไม่เอาทรัพย์สมบัติมาซื้อความสุขต่างๆเวลาใจทุกข์ให้ดับความทุกข์ด้วยการบําเพ็ญ ให้เริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะดับไปถ้าใช้เงินทองก็จะดับได้ชั่วคราวเช่นเวลาเกิดความทุกข์ใจเพราะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้เงินทองไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มาพอได้มาแล้วความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หายไปชั่วคราว แล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากที่จะซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องไปซื้ออีกแล้วถ้าไม่สามารถซื้อได้ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้แต่ถ้าเราใช้วิธีดับความทุกข์ใจด้วยการหยุดความอยากการหยุดความอยากก็หยุดได้สองระดับด้วยกันหยุดในระดับของสมาธิ กับหยุดในระดับของปัญญาถ้าหยุดในระดับของสมาธิก็จะหยุดได้ชั่วคราวคือขณะที่จิตสงบความอยากก็จะสงบตัวลงไปแต่ไม่ตายไม่หายไม่หมดเพียงแต่ว่าพักไปตามการพักของจิตเพราะความอยากนี้ต้องอาศัยการทำงานของจิตถ้าจิตไม่ทำงาน จิตสงบตัวลงความอยากก็ต้องสงบตัวลงแต่พอจิตออกจากความสงบออกมาคิดมาปรงแต่งมารับรู้เรื่องราวต่างๆความอยากก็จะออกมาได้ถ้าอยากจะกาจัดความอยากอย่างถาวรพอออกจากสมาธิมาแล้วเวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจ ให้เห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจและสิ่งที่อยากได้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเพราะสิ่งที่ได้มานั้นไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมไปหมดไปต้องมีการพัดพากจากกันก็จะต้องเกิดความเสียอกเสียใจเวลาต้องพัดพากจากสิ่งที่รักที่ชอบ ดังนั้นเวลาเกิดความอยากถ้าใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการทำตามความอยากไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาเป็นการผ่อนรือเป็นการประวิงเวลาของความทุกข์เวลาได้ทำตามความอยากความทุกข์นั้นเกิดจะสงบตัวไปชั่วคราว พราะความอยากนั้นจะสงบตัวไปเวลาที่ได้สิ่งที่อยากได้แล้วแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งความอยากนั้นก็จะผืนขึ้นมาอีกเช่นเวลาอยากจะดื่มสุราถ้าได้ดืม่มโซราความอยากดืม่มโซรานั้นก็จะหายไปเพราะได้ดืม่มโซดาอย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกอิ่มพออยู่ชั่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นอีกไม่นาน ความอยากจะดื่มสุราก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องดื่มใหม่ถ้าไม่ดื่มก็ทุกข์ทรมานใจถ้าดื่มเดี๋ยวก็คมีความอยากใหม่ตามมาอีกถ้าอยากจะให้ความอยากหมดไปก็ต้องไม่ดืม่มแล้วต้องใช้ปัญญามาทําใจให้สงบให้ได้ถ้าใจมีปัญญาสอน ใจก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วก็จะไม่กลับคืนมาอีกต่อไปนี่คือวิธีดับความทุกข์ด้วยการไม่ใช้เงินใช้ทองคนที่ใช้เงินใช้ทองนี่ต้องใช้เงินใช้ทองคอยดับความทุกข์อยู่เรื่อยๆดับเท่าไหร่ความทุกข์มันก็ไม่หมด มันก็มีมาหาอยู่เรื่อยๆเพราะความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้มันจะไม่มีวันหมดได้นอกจากการไม่ทําตามความอยากเท่านั้นถึงจะดับได้และการที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็ต้องเกิดจากการบําเพ็ญเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเอง ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างถาวรจึงต้องเลิกใช้เงินทองทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องมือในการมาดับความทุกข์ใจต้องใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าคือทานศีลภาวนามากำจัดเท่านั้นถึงจะสามารถกำจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรดังนั้นคนที่ไม่มีทรั จึงมีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญมากกว่าคนที่มีทรัพย์เพราะคนที่มีทรัพย์นี้ต้องสละทรัพย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสังเกตดูคนที่บวชกันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนจนมากกว่าคนรวยคนรวยนี้มักจะติดความสุขกับความร่ำรวยจึงไม่สามารถบวชได้ศึกษาประวัติครูบาอาจารย์ต่างๆดู แทบจะไม่มีใครเป็นเศรษฐีกันเลยเป็นคลูกของคนยากจนชาวนาชาวไร่ก็ทำให้การบวชนี้ง่ายเพราะไม่ต้องมาสละทรัพย์การสละทรัพย์นี้ยิ่งมีมากยิ่งสละยากเพราะทรัพย์นี้เป็นสิ่งที่ในสายตาของผู้ที่ยังมืดบอดอยู่ ยังเห็นว่าเป็นของที่มีคุณค่าในสายตาของคนที่ฉลาดคนที่มีหูตาสว่างจะเห็นว่าเป็นไพรต่อการบำเพ็ญเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเช่นคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมีปัญญาที่จะเห็นว่าการมีทราบสมบัตินีเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณจึ่งทาให้พระองค์สามารถ ตัดสละราชสมบัติได้แต่คนที่ไม่มีปัญญาระดับของพระพุทธเจ้านี้จะไม่สามารถที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแล้วออกบวชกันได้ดูในสมัยปัจจุบันนี้ก็แล้วกันมีพระราชากษัตริย์รูปไหนบ้างมีประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีคนไหนบ้าง มีมหาเศรษฐีคนไหนบ้างที่สละทรัพย์สมบัติแล้วออกบวชกันถ้ามีก็คงจะมีน้อยมากจนไม่จนไม่รู้กันไม่ได้ยินได้ข่าวกันนี่แหละคือเรื่องของการมีทรัพย์กับการไม่มีทรัพย์ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันถ้ามองในทางโลกการมีทรัพย์มันต้องดีกว่าเพราะสามารถซื้อความสุขต่างๆได้ อยากจะสร้างกรหาเดินราคากี่ล้านก็สร้างได้อยากจะซื้อรถยนต์ราคาพันละกี่ล้านก็สามารถซื้อได้อยากจะท่องเที่ยวเดินทางรอบโลกด้วยเครื่องบินส่วนตัวก็สามารถทำได้อยากจะพายพักตามโรงแรมห้าดาวเที่ยวระดับห้าดาวกินอยู่ในระดับห้าดาวก็สามารถทำได้คนที่มีเงินทองจึงมักจะ ใช้เงินทองไปในทางนี้กันหาความสุขทางร่างกายความสุขชั่วคราวกันไปความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่าไม่มีปัญญาไม่เห็นว่ายังมีความสุขที่เลิศกว่าที่ดีกว่าคือความสุขภายในความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญความสุขที่ เกิดจากการทำใจให้สงบต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถมองเห็นได้เนื่องจากพระพุทธเจ้าเคยได้บาเพ็ญมามากในอดีตนั่นเองเคยบาเพ็ญสมถะภาวนาทาใจให้สงบมาแล้วพอชาตินี้ความสงบที่เคยได้จากการบาเพ็ญ ก็แสดงผลให้พระองค์ได้ทรงรับรู้ว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายคือในขณะที่พระองค์ตอนนั้นทรงพระเยาวไหวได้ทรงประทับอยู่ตามลำพังวันนั้นพวกข้าราชบ ร, ริพารติดภารกิจต่างๆกัน เลไม่มีใครมาห้อมร้อมเจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับอยู่ตามลําพังใต้โคนไม้พอไม่มีใครมาห้อมร้อมจิตที่เคยสงบก็รวมเข้าไปสู่ความสงบทําให้พระ อ, องค์ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบจึงทําให้พระ อ, องค์เห็นว่ามีความสุขที่หนีกว่าที่เหนือกว่าความสุข จากการเป็นพระราชโอรสพอทรงเจริญเติบโตแล้วมีโอกาสคือคืนที่ได้ข่าวว่าพระมเหสีได้ พ, ดพระราชโอรสและก่อนหน้านั้นก็ทรงได้ไปเห็นเทวทูตทั้งสี่คือได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและเห็นนัก บ, บวชก็ทำให้พระองค์ทรง เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตทรงเห็นว่าความสุขทางร่างกายนี้ในที่สุดมันก็จะต้องหมดไปเมื่อถึงเวลาที่แก่ที่เจ็บที่ตายก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขได้แล้วก็ทรงน้อนึกถึงความสุขที่ได้จากความสงบที่นักบวชทั้งหลายบำเพ็ญกันสร้างกันลองก็ทรงเห็นว่าเป็นทางออกเป็น ทางออกสู่การสู่กองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทางออกที่นำไปสู่ความสุขที่ดีกว่าที่ถาวรกว่าอ้อมจึงสละราจสมบัติยอมเป็นคนจนแล้วไม่ใช่เป็นคนจนธรรมดาเป็นคนจนยิ่งกว่าขอทานสิเพราะในขณะที่ทรง เสด็จออกไปได้เดินสวนทางกับขอทานขอทานเห็นเสื้อผ้าที่พระองค์ทรงสวมใส่เห็นว่าสวยงามก็ขอแลกเปลี่ยนขอเอาเสื้อผ้าของขอทานแลกเปลี่ยนกับเสื้อผ้าของของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระองค์ก็ทรงยินดีสละให้แลกเปลี่ยนให้ นี่เขาเรียกว่าจนยิ่งกว่าขอทานขอทานกลับได้เสื้อผ้าที่สวยงามกว่าใส่กับพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยสนใจในเรื่องความสุขทางร่างกายพรารู้แล้วว่าเป็นความสุขปลอมสงส์พระทัยกับความสุขจริงก็คือการบำเพ็ญทําให้ใจให้สงบการที่มีเสื้อผ้าของเจ้าชายสวมใส่อยู่ก็อาจจะเป็นปัญหาได้ะ ถ้าเอาเสื้อผ้าของขอทายมาใส่ก็จะไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครก็จะไม่มีใครมารบกวนก็จะสามารถบําเพ็ญได้อย่างสบายถ้าเขารู้ว่าเป็นเจ้าชายเดี๋ยวก็ต้องมีคนนั้นคนนี้มาหวังหาผลประโยชน์อาจจะมาจับตัวเป็นรักฆ่าถ่ายก็ได้เนี่ยนี่ไม่ชงไม่ประกาศให้ใครรู้ว่าเป็นใคร เวลาไปบวชแล้วไปทําตัวเหมือนกับเป็นคนสามัญธรรมดานี่แหละคือการที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ต้องทําตัวให้เป็นคนที่ต่ําที่สุดดังที่ทรงสอนอยู่เรื่อยๆว่าให้ทําตัวเป็นเหมือนปัตภีทําเป็นตัวเหมือนแผ่นดินแผ่นดินนี้ใครจะเหยียบใครจะย่ำอย่างไรแผ่นดินเขาไม่ สะทกสะทานใครจะขุดดินใครจะเทอะไรลงไปในดินจะเทอุจจาระปัสสาวะลงไปในดินเทขยะลงไปในดินดินก็ไม่สะทกสะทานแต่อย่างใดผู้ที่ทําตนเองทําตนเองให้เป็นดินคือให้เป็นบุคคลที่ต่ําที่สุดคือทําตนเองให้เป็นเหมือนขอทานจะไม่มี วันที่จะต้องสะทกสะทานกับการกระทําของใข่ทั้งนั้นขอทานนี้เขาไม่สะทกสะทานกับการดูถูกข้อรหานินทาขอทานไปไหนจะถูกขับไล่สายส่งอย่างไรเขาก็ไม่เดือดร้อนไล่เขาก็ไปด่าเขาเขาก็ไม่หวาดอะไรดูถูกดูแคลนเขาเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าทําตัวว่าเป็นผู้มีสูงผู้มีศักดิ์มีสี ใครแตะไม่ได้พอใครมาแตะหน่อยใจก็จะวุ่นขึ้นมาทันทีใจก็จะไม่สามารถทนอยู่กับสภาพของการเป็นนักบวชได้เพราะการเป็นนักบวชก็คือการเป็นขอทานดีๆนี่เองพราะการอยู่ต้องอยู่แบบอาศัยการให้ของผู้อื่นอยู่ด้วยการรับทานของผู้อื่นเช้าก็ต้องออกไปบินตะบาด อาหารเขาจะให้มาแบบไหนเขาจะให้มาด้วยความเคารพหรือไม่เคารพก็ไปห้ามเขาไม่ได้เป็นเหมือนขอทานขอทานไปขอทานตามบ้านบางบ้านเขาก็พูดดีบางบ้านเขาก็ขับไล่สายโซ่ไปก็มีคิดว่าสมัยก่อนการบิณฑบาตก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไม่ได้เป็นเหมือนแบบสมัยนี้เพราะสมัยนี้เราถูกสอนให้เคารพพระ ให้เห็นว่าการใส่บาตรนี่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแต่สมัยก่อนเขาอาจจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับให้ทานขอทานดีๆนี่เองเพราะว่ามีผู้บาเพ็ญ น, นักบวชนี่มาจากหลายสำนักมีหลายลัทธิด้วยกันมีการบาเพ็ญที่แปลกๆแต ก, แกต่างกันไปจนทาให้ชาวบ้านนี้อาจจะแยกแยะไม่ถูกว่าเป็น ดีหรือไม่ดียังไงก็เลยคงจะหมายว่าเป็นพวกขอทานด้วยกันก็คงจะไม่ได้รับการเคารพเหมือนกับในสมัยปัจจุบันนี้การบินทบาทสมัยปัจจุบันนี้ผู้ใส่บาตรนี่ให้ความเคารพต่อพระที่มาบินทบาทแต่สมัยโบราณสมัยพระพุทธการนี้คิดว่าเป็นเหมือนกับการให้ขอทานดีๆนี่ผู้ที่จะไปบําเพ็ญอยู่แบบนั้นได้นี่จิตใจจะต้อง มีความเข้มแข็งมากจะต้องไม่ถือเนื้อถือตัวเพราะถ้าถือเนื้อถูอตัวแล้วก็จะทนอยู่แบบนั้นไม่ได้ก็อยากจะกลับไปอยู่แบบพระราชามหากษัตริย์อยู่แบบมหาเศรษฐีถ้ากลับไปอยู่แบบนั้นก็จะไม่มีเวลาที่จะออกบำเพ็ญไม่มีเวลาที่จะสร้างมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่จะ ไปสู่มรรคผลนิพพานจึงต้องกล้าที่จะอยู่แบบขอทานทำตัวแบบขอทานทำตัวเหมือนปัตถภีที่สามารถรับการาดูถูกเหยียดหยามว่ากล่าวติเตียนหรืออะไรต่างๆได้หมดรับได้ทุกสภาพอย่างนักบวชนี้ท่านก็สอนว่าให้ยินดีตามมีตามเกิด เขาจะจัดที่พักแบบไหนให้อยู่ก็อยู่ไปไม่ให้จู้จี้จุกจิกอาหารที่เขาจะให้มาจะเป็นอาหารแบบไหนก็รับไปผ้าจีวรจะเป็นผ้าแบบไหนก็เอามาใช้นุ่งห่มได้ก็ใช้ไปยารักษาโรคมีอะไรที่กินแล้วหายก็กินไปไม่มีก็ใช้ดื่มน้ำมูดเอาน้ำปัตสาวะเอาก็ได้ ถ้าไม่หายมันก็ตายคนเราในที่สุดมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะอยู่เหนือความตายได้แต่อย่าไปวุ่นวายกับการดูแลรักษาร่างกายจนไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญมาดับความทุกข์ต่างๆภายในใจต้องถือให้ความสำคัญกับการบำเพ็ญเป็นอย่างแรกเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เรื่องของการดูแลรักษาร่างกายนี้ถือว่าเป็นรองลงมาอย่างที่พระเจ้าทรงตัดว่าให้สละได้แม้แต่ชีวิตเพื่อรักษาธรรมหรือเพื่อสร้างธรรมขึ้นมาธรรมนี้สําคัญกว่าชีวิตเพราะชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวไม่ช้า ก, ก็เร็วก็ต้องหมดไปแต่ธรรมนี้เป็นของเป็นที่พึ่งของใจที่จะทําให้ใจนี้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวาย ทำให้ใจนี้มีบรมมสุขมีปรลมังสุขขังเป้าหมายของผู้ปฏิบัติก็คือทานี่เองส่วนเรื่องของอุปสรรคทางร่างกายนี้ก็บรรเทามันไปตามตามมีตามเกิดแต่จะไม่ให้มาเป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญต่อการปฏิบัติสร้างธรรมขึ้นมาถ้าทําอย่างนี้ได้แล้ว ผลที่จะได้จากการบาเพ็ญจากการปฏิบัตินี้ก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคนั่นเองแต่ถ้ามาคอยกังวลกับเรื่องการกินการอยู่กับเรื่องของการสรรเสริญนินทาของผู้คนอื่นเขาก็จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญได้ แล้วก็จะไม่สามารถบอมเพญเพื่อให้เกิดผลที่ปรารณาาได้ผู้ปฏิบัติจึงต้องทาตัวให้เป็นคนจนทำตัวให้เป็นขอทานทำตัวให้เป็นปาตพีเพราะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็จะกำจัดอุปสรรคต่างๆได้ไม่มีอะไรเป็นปัญหาใครจะดา่าใครจะว่าใครจะทำอะไรก็ไม่ถือเป็นปัญหารับได้หมด ขอให้มีเวลาได้บำเพ็ญเท่านั้นก็พอขอให้ได้มีเวลาปีกวิเวกอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะได้เจริญทำต่างๆเช่นสติสมาธิและปัญญาถ้าได้มีเวลาบำเพ็ญแล้วแล้วได้บำเพ็ญผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเมื่อเกิดผลแล้วก็เหมือนกับ กลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาแต่เป็นมหาเศรษฐีภายในเป็นเศรษฐีอริยทรัพย์เป็นเศษ ร, รเเศษฐีภายในใจพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ตัดสาวกทั้งหลายนี้ท่านเป็นมหาเศรษฐีภายในใจท่านมีปรมังสุขครั้งมีบรมสุขเป็นสมบัติท่านมีการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสมบัติ พวกเราที่เป็นเศรษฐีทางร่างกายทางโลกนี้พวกเรากลับมีความทุกข์ใจเป็นสมบัติมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสมบัติพวกเราจะเลือกอย่างไหนดีจะเป็นเศรษฐีทางร่างกายดีหรือเป็นเศรษฐีทางจิตใจดีพระพุทธเจ้าพระอาลันตสาวกทั้งหลายท่านได้เลือกการเป็นเศรษฐีทางจิตใจ ท่านจึงต้องสละการเป็นเศรษฐีทางร่างกายไปท่านยอมอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนคนยากจนอยู่ท่านจึงได้เป็นเศรษฐีทางจิตใจถ้าเรายังรักที่เป็นเศรษฐีทางร่างกายอยู่เราก็จะไม่มีวันที่จะได้เป็นเศรษฐีทางจิตใจเศรษฐีทางจิตใจนี้เป็นเศรษฐีที่ท้าวน เป็นเศรษฐีที่แท้จริงไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดแต่เศรษฐีทางร่างกายนี้ก็อยู่เพียงแค่ชั่วอายุไขของร่างกายนี้เท่านั้นเองอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีตายไปก็จบดีไม่ดีจะต้องไปเป็นขอทานทางจิตใจต่อไปเพราะไม่เคยคิดทําบุญให้ทานไม่เคยคิดรักษาศีลพอตายไปดวงวิญญาณนี้ก็จะต้องไปเกิดเป็นเปรต เนเปนก็คือเป็นขอทานทางจิตใจนี้เองทางจิตวิญญาณต้องไปขอส่วนบุญส่วนกุศลที่ผู้มีชีวิตอยู่ทำบุญและอุทิศไปอย่างเดือนนี้วันที่30ะสะิบพศษภาก็เป็นธรรมเนียมที่หลวงตาได้ทรงได้นําพายาดโยมให้ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้มีโอกาสเวลามีชีวิตอยู่ ไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้รักษาศีลเวลาตายไปก็ต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณทางจิตใจพอมัวหลงกับการเป็นเศรษฐีทางร่างกายจนลืมการสร้างทรัพย์ให้แก่จิตใจเวลาที่จิตใจต้องออกเดินทางจากโลกนี้ไปถ้าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้รักษาศีล เวลาไปก็ต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณก็คือไปเป็นเปรตเน่นี่คือที่มาของการที่พวกเราเวลาทำบุญให้ทานแล้วเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปเพราะเรายังรักยังกังวลกับผู้ที่เราลากเราเคารพที่ตายจากพวกเราไปว่ากลัวว่าเขาอาจจะไม่ได้ทาบุญทาทานไม่ได้รักษาศีล เขาอาจจะต้องไปเกิดเป็นขอทานทางจิตวิญญาณได้เเราก็เลยทําบุญอุทิศกันไปและในขณะเดียวกันการทําบุญอุทิศนี้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เราไปเกิดเป็นขอทานทางจิตวิญญาณด้วยออันนี้สําคัญกว่าเรานี่แหละที่ต้องทําบุญกันต้องละบาปกันเพื่อที่เราเวลาตายไปเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นขอทาน ทางจิตใจทางจิตวิญญาณ น, นั่นเองนี่คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างการมีทรัพย์กับการไม่มีทรัพย์ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าสรุปแล้วก็ต้องการไม่มีทรัพย์ย่อมดีกว่าเพราะผู้ที่ไม่มีทรัพย์เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวุกทั้งหลายท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันตสาวกกัน เพราะท่านต้องสละทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่แล้วถึงจะออกไปบําเพ็ญออกไปบวชได้ไปปฏิบัติได้ถ้าท่านยังมีทรัพย์ยังติดอยู่กับทรัพย์สมบัติอยู่ท่านก็จะไม่สามารถออกไปบําเพ็ญออกไปปฏิบัติได้ท่านก็จะไม่สามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกได้จึงสมเ ด, ด็จได้คือคําตอบว่าต้องเป็นคนจนดีกว่าเป็นคนรวย ดังนั้นพวกเราที่จนอยู่แล้วจึงไม่ควรจะเสียใจควรจะดีใจเพราะว่าเป็นคนจนนี้ก็จะทําให้พวกเรานี้ออกบวชกันได้อย่างง่ายดายไม่ต้องมากังวลกับเรื่องทรัพสมบัติเข้าของเงินทองว่าจะยกให้ใครดีคิดว่าการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยาถาวะริกวาหาปุราปาริกุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิดเป้เมวะสัมิตจตุซาเพปุเรนตุสังกปา จันททปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสพิติโยวิวาจันโุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวะตวันตาาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีริสะนิจจังวุธาปจายโนจตารธรรมวัานติ อวโนสุขังาลงต่อไปนี้ก็เป็ น, ปนการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เพื่อผู้ฟังจะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบ ขอความปรย่ามาถามตอนที่ปิดใหม่แล้วถ้าอยากจะถามก็ถามตอนนี้ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณสิทธิศักดิ์ผมอ่านและฟังเทศของพระอาจารย์ทุกวันเพื่อนำไปประกอบสอนวิชาพระพุทธศาสนาพร้อมปฏิบัติธรรมควบคู่กันไป เวลาอ่านหนังสือทุกๆเล่มของพระอาจารย์แล้วมีความอิ่มอิ่มในเนื้อหาธรรมที่แสดงผมกราบนมัสการเรียนถามว่าพระอาจารย์มีการเตรียมการเทศอย่างไรจึงทำให้ผมอ่านและฟังแล้วรู้สึกจับใจทำให้มีกำลังฮึดในการปฏิบัติมากขึ้น ทุกวันนี้ท่านยังอ่านหนังสือทางโลกและทางธรรมอยู่หรือไม่แล้วมีเทคนิคอย่างไรในการสร้างคําอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เข้ากับหลักธรรมคาสอนได้อย่างกลมกลืนมันไหลออกมาเองจากใจหรือต้องเตรียมการสอนมาก่อนครับมันเป็นเรื่องของปฏิพันธ์เป็นเรื่องของคุณสมบัติที่มีอยู่ในใจ เป็นของที่ไม่ได้ตะเตรียมไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนเป็นเหมือนกับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาไปแล้วก็แก้มันไปการแสดงธรรมนี้ก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ไปตั้งกําหนดเจาะจงว่าจะต้องพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเคยในอดีตตอนที่เริ่มใหม่ๆ เคคิดว่าจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าพยายามจะพูดไปตามที่คิดมันจะมันจะแข็งมันจะไม่ไหลลื่นมันจะเป็นเหมือนกับการบังคับให้มันไปในร่องที่เราขีดไว้ล่วงหน้าก่อนการฟังแล้วมันจะฟังแล้วบางทีมันไม่มันไม่ไหลลื่นมันไม่ มันไม่มันไม่เป็นธรรมชาติพูดอย่างนั้นแตถ้าปล่อยให้มันไหลไปตามเหตุตามผลที่มาสัมผัสมีปัญหาอะไรโผล่ขึ้นมามีเหตุอะไรเราก็สแสดงเหตุแล้วก็สแสดงผลตามไปมีอะไรที่จะยกขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นความเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นก็ยกขึ้นมา อ, อันนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ เตรียมมาไว้ล่วงหน้าก่อนพูดไปแบบอะไนธรรมจัดสรรให้ทมพาไปาก็พูดได้แค่นี้แหละคำถามต่อไปจากคุณนิกกี้ข้อแรกปัจจุบันได้ปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอเดินจงกรมนั่งสมาธิ โดยจุดสำคัญคือต้องเอาใจไปวางที่อวัยวะนั้นๆแล้วกำหนดกิริยาให้ทันปัจจุบันเช่นก้าวขาขวาก้าวขาขวาก็ให้เอาใจวางที่ขาแล้วกำหนดในใจว่าขวาย่างหนอหรือขวาหนอซึ่งผู้ซึ่งผู้สอนบอกว่าวิธีให้จิตตามดูกิริยาเฉยๆ โดยไม่ได้กำหนดเป็นการปฏิบัติที่ไม่ตรงกับที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้และจะไม่ได้ผลจึงเกิดความสับสนเพราะได้อ่านและฟังพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่าสอนให้ตามดูจิตว่าจิตอยู่ที่ไหนแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการกำหนดจึงขอกราบเรียนถามว่าแนวทางแบบใดจึงถูกต้องและลัดสั้นที่สุดคะ คือแนวทางในสติปัฏฐานสี่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้มีสติคู่อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ให้ใจอยู่ ก, กับการกระทำของร่างกายนั้นเช่นกำลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่จะไปทำต่อไปหรือเรื่องที่ได้ผ่านมาแล้ว เรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ไม่ให้เข้ามายุ่งมาเกี่ยวข้องกับการแปลงฟันให้อยู่กับเรื่องของการแปลงฟันเพียงอย่างเดียวไม่ต้องพูดว่าแปลงหนอฟันหนอะอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพียงแต่สอนว่าให้รู้หนอให้รู้อยู่ว่าตอนนี้สู๋กาลังทาอะไรอยู่สู๋กาลังแปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟันไป กำลังเดินก็ให้อยู่การเดินไปถ้าก้าวเท้าซ้ายก็ให้รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายขวาก็รู้ว่าขวาให้รู้เท่านั้นเพื่อที่จะได้ดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าใจต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้เช่นถ้าเรากำลังนับเงินอยู่นี่เราไปคิดเรื่องคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็นับไม่รู้เรื่อง คนเวลานับเงินนี้มกักจะมีสติดีกว่านับไม่ขาดไม่เกินเพราะมีสติดีเวลานับเงินนี่สติมาจากไหนก็ไม่รู้นั่นนี่คือตัวอย่างคือสติก็คือให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่อย่างเดียวเป้าหมายก็คือให้เราหยุดความคิดปรุงแต่งคิดแบบเพื่อเจ้คิดแบบ cher, แบบไม่มี ไม่คิดเพอ้อฝันคิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลฮะถ้าจําเป็นจะต้องคิดที่เช่นเวลาเราทํางานบางอย่างต้องใช้ความคิดก็คิดได้แต่ก็ให้มีสติอยู่กับความคิดนั้นคิดเฉพาะเรื่องนั้นเช่นกําลังคิดบัญชีบวกลบคูณหารว่าเดือนนี้จ่ายไปเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ต้องมีสติอยู่กับความคิดในการทําบัญชีอย่างนี้ก็ยังถือว่ามีสติอยู่ ถึงแม้จะมีความคิดก็เป็นความคิดที่จำเป็นจะต้องใช้แต่ถ้าดีไม่คิดเลยได้จะดีกว่าคือไม่ต้องทำงานไม่ต้องไปมีเงินมีทองจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่เช่นเป็นพระนี้ก็ไม่ต้องมาคิดบวกลบคูณหารเวลาทำอะไรกใใ็ให้ก็อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่กำลังบินทบาทก็อยู่กับการบิทบาท เวลาปัดกวาดก็อยู่กับการปัดกวาดเวลาขบฉันก็อยู่กับการขบฉันเวลาล้างบาทก็อยู่กับการล้างบาทเวลาหวาดถูสาราก็อยู่กับการกวาดถูศาลาให้อยู่อย่างนั้นไปตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลาตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็ให้รู้แล้วว่ากำลังลืมตากำลังจะลุกขึ้นมาก็รู้ว่ากำลังจะลุก กำลังยืนกำลังเดินกำลังเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบถ้าก็ให้รู้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่กับร่างกายนั้นเพียงอย่างเดียวนี่คือวิธีการเจริญสติที่เรียกว่ากายกตาสตินี่เป็นการที่จะฝึกให้ใจไม่ลอยไปลอยมาใช้ร่างกายเป็นที่ผูกใจใจนี้ก็เป็นเหมือนอเหมือนลิง ถ้าเราไม่ผูกมันไว้กับเสามันก็ไปทั่วไปหมดเวลาจะจับมันเข้ากรงก็จะจับมันยากแต่ถ้ามีเชือกผูกมันไว้กับเสาเวลาจะเอามันเข้ากรงก็ลากมันเข้ามาได้อย่างง่ายดายใจที่มีสติแล้วนี้เวลาจะให้เข้าสู่สมาธิก็จะง่ายเวลานั่งหลับตาให้ดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะไม่ไปที่อื่นมันก็จะอยู่กับลมหายใจ พออยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้นี่คือเรื่องของวิธีของการบําเพ็ญที่ถูกตามหลักของสติปัฏฐานสข้อที่สองการเจริญสติโดยใช้วิธีอนาปนาสติและการดูความเคลื่อนไหวท้องพองยุบทั้งสองแบบนี้ผลที่ได้เหมือนกันไหมคะคู้สอนบอกว่า อานาปานาสติได้เพียงสมาธิแต่การดูท้องพองยุได้ทั้งสติสมาธิและปัญญาเพราะเห็นความไม่เที่ยงของท้องที่พองยุกจริงหรือไม่คะคือการธรรมานาปานาสตินี้โดยหลักก็ทำเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเป็นฌานขั้นต่างๆ การ จ, จะใช้อนาปานาสตินี้จะใช้ในท่านั่งสมาธิเป็นหลักไม่ได้เอามาใช้ในอิริยาบถอื่นอิริยาบถอื่นก็อย่างที่ได้้ไดแสดงไวใ้ให้ใช้ร่างกายเป็ น, ปนหลักเพราะมันดูง่ายกว่าดูลมหายใจเข้าออกบางคนไม่เข้าใจเวลาเดินก็พยายามจะดูลมซึ่งมันยากเพราะลมมันละเอียด จับมันยากไม่รู้ตอนนี้ลมเข้าหรือลมออกแต่ดูที่เท้ามันง่ายกว่าดูกำลังก้าวเท้านี่มันง่ายกว่าแต่เวลานั่งนี้เมื่อร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวก็ต้องดูลมเพราะมีลมที่ยังเคลื่อนไหวอยู่การดูลมก็ให้ดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งดูที่ปลายจมูกที่ลมสัมผัสเข้าออกก็ได้หรือดูที่กลางอกดูความรู้สึกที่กลางอกเกินที่หน้าท้องก็ได้ พอเวลาลมหายใจเข้าไปมันก็จะพองขึ้นมาเวลาลมหายใจออกมามันก็จะยุบลงไปเขาก็เลยใช้วิธียุบหนอ่อพองหนอ่อว่าไปด้วยเพราะบางทีดูเฉยๆแล้วใจมันยังเป็นลิงอยู่มันยังไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เขาก็เลยให้ใช้คำพูดกากับอีกทีเช่นเวลาหายใจเข้าก็ว่าพองหนอ่อ เวลาหายใจออกก็ว่ายุบหนอการกระทํานี้ไม่ได้เป็นการเรื่องของวิปัสสนาวิปัสสนานี้มันลึกซึ้งกว่านี้กว้างขวางไพศาล ม, มากกว่านี้แต่ว่าเป็นปัญญาก็เพียงแต่ปัญญาที่รู้ว่ามันลมเข้าลมออกรู้ว่ามันไม่นิ่งถ้าอยากจะรู้ละเอียดกว่านั้นก็ต้องพิจารณาว่าเข้าแล้วไม่ออกก็ตายออกแล้วไม่เข้าก็ตายอย่างนี้ก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ แต่ในขณะที่ทำสมาธินี้ไม่ต้องการให้คิดอะไรเพราะถ้าคิดแล้วใจมันจะไม่รวมใจมันจะไม่เข้าสู่ความสงบให้หยุดความคิดด้วยการเพ่งดูลมเฉยๆสั่งแต่ว่ารู้ไปเพราะต้องการเข้าถึงตัวรู้นี่เองไม่ต้องการให้ตัวคิดมาเป็นตัวกีดขวางการเข้าไปถึงตัวรู้ได้ทุกวันนี้ที่พวกเราไม่เห็นตัวรู้กันก็เพราะตัวคิดนี่มันมามันมาบังเอาไว้ เราคิดอยู่ทั้งวันอยู่กับความคิดโดยไม่เห็นตัวรู้สักทีแลยไม่รู้ว่าตัวรู้นี่เป็นยังไงวิเศษอย่างไรกลับไปหลงกลับตัวคิดว่าเป็นตัววิเศษนแต่คิดแล้วบางทีคิดไปในทางไม่ดีก็เป็นบ้าได้ดังนั้นตัวคิดนี้มันมีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าคิดไปในทางธรรมมันก็เป็นคุณถ้าคิดไปในทางกิเลสมันก็เป็นโทษใจของพวกเราส่วนใหญ่มันเป็นกิเลส ผู้สั่งการมันก็เลยสั่งให้คิดไปในทางกเิเลสกันพอคิดไปในทางกเิเลสกันก็ทุกกันขึ้นมาวุ่นวายกันทุกวันนี้ก็เพราะความคิดที่กิเลสเป็นผู้สั่งให้คิดนั่นเองถ้ามีธรรมเป็นสั่งให้คิดแล้วทุกคนจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทุกคนจะอยู่กันอย่างสุขสบายไม่มีภัยต่างๆเกิดขึ้นแต่เพราะว่าใจของพวกเราทุกวันนี้มันถูกกิเลสเป็นผู้สั่งให้คิด เราจึงต้องหยุดมันหยุดมันแล้วเมื่อเราหยุดมันได้แล้วต่อไปเราก็จะสั่งให้มันคิดไปในทางธรรมของพระพุทธเจ้าได้ขั้นต้นจึงต้องทำใจให้หยุดให้เป็นสมาธิพอหยุดได้แล้วพอออกจากสมาธิมาพอมันจะคิดไปทางกิเลสก็สั่งมันได้พอเราสั่งให้มันหยุดได้เราก็สั่งให้มันไปทางธรรมะได้แล้วสั่งให้มันคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ นี่ถึงเรียกว่าปัญญาเหมือนกับที่เคยยกตัวอย่างอยู่เสมอว่าเวลาเราขับรถไปแล้วเราร่้วเราไปผิดทางเราจะไปเหนือเรากำลังวิ่งไปทางใต้นี่เราจะทำไงเราก็ต้องหยุดรถแล้วก็กลับรถใช่ยูเทิร์นก็ต้องหยุดรถก่อนหยุดรถแล้วก็ยูเทิร์นแล้วก็เลี้ยวกลับมาวิ่งไปทางที่เราต้องการไปได้ตอนนี้ความคิดของเราคิดไปในทางกิเลส คิดไปในทางสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจเราเราก็ต้องหยุดความคิดนี้แล้วก็ยูเทิร์นมันสั่งให้มันคิดไปในทางธรรมจิตปกติกิเลสมันจะสั่งให้เราคิดว่าทุกอย่างดีทุกอย่างเป็นสุขทุกอย่างเที่ยงทุกอย่างเป็นของเราแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราพอเราคิดไปในความ ความจริงแล้วทางธรรมแล้วใจมันก็จะปล่อยวางมันก็จะไม่ยึดไม่ติดมันก็จะไม่เกิดความอยากให้เที่ยงอยากให้สุขอยากให้เป็นของเราเพราะมันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือการคิดด้วยปัญญาที่เรียกว่าบิปปัสนาก่อนจะคิดไปในทางปัญญาได้ต้องหยุดความคิดที่คิดไปในทางกิเลสให้ได้ก่อน คิดว่านั่นเป็นของเรานั่นให้ซอมสุขกับเรานั่นจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพอไปเจอความจริงเข้าทีไรก็ร้องหม่มร้องไห้กันทุกทีพอไปเจออานิจจังเข้าพอไปเจอทุกขังเข้าพอไปเจออนัตตาเข้าก็เสีย อ, อกเสียใจของที่เคยเป็นของเรากลายเป็นของคนอื่นไปแฟนของเรากลายเป็นแฟนของคนอื่นไปรู้สึกอย่างไรบ้างก็คิดว่าเป็นของเรา แต่มันไม่เป็นอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่ล่วงหน้าก่อนว่าแฟนคนนี้มันไม่ใช่ของเราเนะ่ยมันดีขึ้นดีมันไปเป็นของคนอื่นได้นะคิดอย่างนี้มันก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้พอเขาไปเป็นของคนอื่นก็รู้อยู่แล้วมันต้องไปเอ่มันไปเสียใจอะไรใช่ไหมอ่นี่แหละคือปัญญาปัญญาสอนให้เราเห็นความจริงเตรียมตัวรับกับความจริงแต่ใจของเรามันชอบของปลอมกันชอบคิดแต่เรื่องของปลอมคิดว่าของ ของที่เป็นทุกว่าเป็นสุขคิดว่าของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงคิดว่าของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเรามันจึงต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถดึงใจให้มาคิดในทางความเป็นจริงได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันไม่เที่ยงรู้แล้วว่ามันจะต้องไม่ใช่เป็นของเรารู้แล้วว่ามันจะต้องให้ความทุกข์กับเรา นี่แหะคือปัญญาก่อนจะไปทางปัญญาได้ต้องหยุดความคิดที่จะไปทางกิเลสให้ได้ก่อนการหยุดความคิดไปทางกิเลสได้ก็ได้สมาธิใจหยุดนิ่งเหมือนกับรถก่อนจะอยู่เทินได้ก็ต้องจอดก่อนจอดแล้วค่อยอยู่เทินพะจะเลี้ยวเลี้ยวทันทีทันใดเดี๋ยวก็พลิกความหรือไปชนกับรถที่วิ่งสวนทางมาอีกนะก็ต้องจอดรถก่อนแล้วดอดูจังหวะให้รถเลี้ยวหัก ออกเข้าสู่ถนนได้อย่างปลอดภัยนี่คือเรื่องของการปฏิบัติสามขั้นตอนสตินี้เป็นการหยุดใจหยุดความคิดอพอหยุดได้ก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วก็มีความสุขมีความสุขแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนความคิดได้แล้วเมื่อก่อนเปลี่ยนไม่ได้เพราะคิดว่าไปคิดไปทางนี้แล้วจะให้ความสุขแต่เดี๋ยวนี้เรามีความสุขจากสมาธิแล้วเดี๋ยวนี้เราคิด ไปอีกทางหนึ่งได้นะเมื่อก่อนคิดว่าต้องไปเที่ยวอย่างเดียวถึงจะมีความสุขเดีย๋ยวนี้คิดได้แล้วว่าไปเที่ยวมันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่ามันไม่ถาวรเที่ยวได้เดียวสักวันหนึ่งเที่ยวไม่ได้จะทำอย่างไรเงินหมดจะทำอย่างไรร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปเที่ยวไม่ได้จะทำอย่างไรถ้ามันคิดอย่างนี้มันก็สู้ไม่เที่ยวดีกว่าทาใจให้สงบดีกว่าเป็นสมาธิก็มีความสุขอยู่ได้ พอมีความสุขแล้วก็คิดว่าไม่เที่ยวก็ได้หยุดเที่ยวก็ได้เลิกเที่ยวก็ได้นี่คือปัญญาตามมาคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการขายทรัพย์สินเพื่ออุปถาพระไปทาบุญวันเกิดท่านทั้งที่ครอบครัวยังสับสนอยู่เป็นบุญหรือบาปคะคือการทำบุญนี้ เราควรทํากับทรัพย์ที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เราต้องรู้จักแยกแยะว่าทรัพย์ส่วนไหนที่เราต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าเรายัางต้องดูแลรักษาอัตภาพชีวิตร่างกายของเราและของบุคคลที่เรามีความรับผิดชอบอยู่ด้วยส่วนนั้นเราก็เอาไปทําไม่ได้เพราะเอาไปทําหมดแล้วเราก็ต้องไปขอคนอื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น แต่ส่วนที่เราเหลือแล้วนี่เราจะไปให้ไข่ก็เป็นบุญทั้งนั้นให้หมาก็ได้บุญให้พระก็ได้บุญให้ไข่ก็ได้เพราะการให้นี้เป็นบุญไไม่ได้อยู่ที่ผู้รับว่าเป็นไข่อยู่ที่การให้ถ้าไม่ให้แล้วมันไม่ได้บุญการให้ก็คือเป็นการสละการตัดความหลงที่ยึดติดกับเงินทองว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่ง การตัดมันแสดงว่าไม่ต้องพึ่งมันแล้วไม่มีมันเราก็อยู่ได้เราพึ่งสมาธิดีกว่าพึ่งธรรมะดีกว่าดีกว่าพึ่งเงินทองเพราะเงินทองมันมันมาได้มันหมดได้แต่ธรรมะนี่ถ้ามาแล้วมันไม่หมดมันมาแล้วมันจะมาอยู่เรื่อยๆถ้าเรารู้จักวิธีให้มันมาแล้วต่อไปมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆแต่เงินนี่ไม่แน่นอนบางทีก็มาบางทีก็ไม่มา เวลาไม่มาก็ยุ่งก็เดือดร้อนกันนี่คือความหมายของการทำทานการสละทรัพย์สมบัติต่างๆเพื่อที่ใจจะได้ไม่ต้องไปมีภาระกับมันไม่ต้องไปพึ่งมันถ้ามีเงินทองอยู่เดียวก็กิเลสก็จะมายั่วยวนกวนใจกระเป๋าไปนั่นก็สวยรองเท้าคู่นั้นก็สว ย, สวยไปเที่ยวที่นั่นก็ดีมันก็เป็นเรื่องการเลี้ยงกิเลส เล้ยกิเลสก็เหมือนกับเลี้ยงเชื้อโรคให้มันอยู่ในร่างกายเราไป น, นานๆแทนที่จะกินยาฆ่าเชื้อเรากลับไปหาห า, หาอาหารมาเลี้ยงเชื้อโรคให้มันอยู่กับร่างกายเราเการใช้เงินตามความอยากนี่ก็เป็นเหมือนกับเลี้ยงกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็คือตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจให้กับเรานั่นเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจจากการใช้เงินใช้ทองเพื่อ เลี้ยงกิเลสตัณหาก็เอาเงินทองนี้ไปทําบุญให้ทานเสียแล้วเป็นการเหมือนกับไปซื้อยามากินการทําบุญทําทานนี้เป็นเหมือนกับการซื้อยามาฆ่าเชื้อโรคคือกิเลสตัณหาเพราะเวลาเอาเงินทําบุญไปเอาเงินไปทําบุญทําทานเราก็ไม่สามารถเอาไปเลี้ยงกิเลสได้ก็เท่ากับเป็นการฆ่ากิเลสไปในตัวนั่นเองคําถามต่อไปจากมีผู้ฝากถาม ทำงานด้วยจะทำสมาธิในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันอย่างไรคะมันทำไม่ได้หรอกมันสวนทางกันทำงานมันก็ใช้ความคิดทำสมาธิมันก็ต้องหยุดความคิดถ้าอยากทำสมาธิก็ต้องออกจากงานหรือทำในวันที่ไม่ต้องทำงานถ้าอยากจะได้สมาธิเยอะๆมากๆก็ต้องออกจากงานไปถึงบอกว่าเนี่ย ถ้าอยากจะรวยทางร่างกายก็ไม่มีเวลาที่จะมารวยทางจิตใจถ้าอยากจะรวยทางจิตใจก็ต้องยากจนทางร่างกายก็ไม่ต้องทำงานไม่ต้องหาเงินอยู่แบบขอทานให้ได้แล้วก็จะได้มีเวลามาเป็นเศรษฐีทางจิตใจคำถามท่านหลวงพ่ อ, อคำถามหมดแล้วมีใครจะเสริมไหมวันนี้มีสมาชิกที่ชอบถามอยู่หลายคนนี่วันนี้ มีใครไหมหมอจะถามเลย <c oughs> ถ้าไม่ถามเดี๋ยวจะปิดประชุมแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาทรรมที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ